ในวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดเก่าแก่วัดหินหมักเต้งที่เจ้าอาวาสและหลวงพ่อพวงวัดธรรมฮานได้พาคณะสงฆ์และคณะสัตยาญาติโยมหลายหมู่บ้านได้ตระเวนกราบคารวะครูบาอาจารย์ตามประเพณีในวันในช่วงเข้าพรรษานับว่าเป็น ประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ปฏิบัติกันมาสรุปแล้วก็คือให้รู้จักสูงรู้จักต่ำํำเพราะว่าพวกเราสมัยเป็นผู้น้อยอย่างหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันจะต้องได้กราบประเวนกราบครูบาอาจารย์แต่ช่วงนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ไปมีแต่ไปกราบครูบาอาจารย์พระเทระเหลือทั้งที่อยู่ทางไกล ย่งวัดหลวงปู่จามหลวงพ่อก็ไปมาแล้วแต่ก็ยังอยู่แถบๆใกล้ๆที่เป็นครูบาอาจารย์ที่รักเคารพนับถือที่เป็นรุ่นพี่ที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็คงจะได้ไปการาบคารวะเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมากันนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นประเพณีคือการอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเรา อยู่ด้วยการต้องมีสูงมีต่ำไวยวุฒิขนวุฒิอันนี้เราพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานถือกันมากไม่ถือลวดกวดเพียงไม่ตีป ร, ราศาสตีเสมอจะไม่มีในของพระกรรมฐานไม่ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาต้องให้มีสูงมีต่ําอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้ถือ การมาตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถึงพวกเราพวกเราก็ถือต่อไปคารวะต่อไปกับพวกท่านทั้งหลายที่เป็นหัวหน้าวัดก็จะเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยแล้วกับพระรุ่นน้องๆก็จะได้มาเคารพคารวะเป็นทอดๆกันไปแปว่าถือแบบถือไม้ส่งกันไปเรื่อยๆอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงตาอย่างเนี้ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆหลวงปู่เลี้ยงอย่างนี้ไอ้ปูโบภ า, าถ้าจะว่าไล่เลี้ยงไปก็เยอะแยะไปหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นแต่ก่อนเราก็ได้ไปกราบไปไหว้เคารพสักการะท่านจากนั้นก็ท่านก็ได้ร้องรยตามอายุสังขารต่อมาก็เลี้ยงลําดับไล่ลําดับลงมาเรื่อยๆแต่ลวงพ่อเองก็ไม่คาดไปเคียดเหมือนกันว่าจะได้เป็นพระ เรียกว่าเป็นภระที่มีอายุพรรษาเฮ้ที่ว่าคําว่าเทเรปมาเทนะหรืออย่างเนี้ยหลวงพ่อก็ไม่เคยคิดแต่ตดยที่พระสงฆ์ที่มากราบวาเขาขวัตเทเรปมาเทนะแต่ต า, า จ, จะว่าไปตามอายุพรรษาแล้วหลวงพ่ออายุพรรษาทั้ง46่สหปีลูกหลานบางคนก็นยังไม่เกิดบวชมาตั้งแต่เป็นสั ม, มเนนอีกถ้าบวชสัมมเนน8เข้าไปอีก ก็เป็นนันว่าชีวิตของหลวงพ่อฝากวังไว้ในพระพุทธศาสนาได้ห้กว่าปีอันนี้ถ้าหาว่าตามอายุพรรษาแล้วที่หยัดโยมก็ดีหมู่พวกเพื่อนก็ดีที่ว่าเทเรปรมาเทนะหลวงพ่อก็ไม่ไดเ้เขินเพราะว่าพูดตามอายุพรรษาแล้วก็มากไปในที่นิมนต์ก็รู้สึกว่าจะไล่ขึ้นไปหวัวแถวเรื่อย เพราะเหตุไรเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่รักเคารพนับถือท่านก็โรครอยไปเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็องค์ที่มีอายุพรรษามากกว่าหลวงพอ่อท่านก็สุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยตามอายุสังขารจะไปที่ไหนก็ลําบากต่อไปหลวงพ่อก็คงเช่นเดียวกันกับครูบาอาจารย์ที่ท่านเหล่านั้นแต่ต่อมาก็มาถึงหลวงพอ่อ ก็ยังต่อไปก็ไหลลงไปเรื่อยๆถึงพวกท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นเจ้าของอวัดจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ขึ้นมาเรียงไปคือส่งไม้ไปเรื่อยๆอันนี้คื อ, อธรรมชาติจะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดธรรมชาติของอายุสังขารต้องเรียงลําดับกันลงไปอย่างนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ถึงอายุสังขารจะอ ร, รยไปยังไงแต่พวกเราก็ขอให้ยึดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ศึกษามาแล้วก็ขอให้ยึดเหนี่ยวเข้ามาเป็นแนวปฏิบัติให้สํารวมกายวาจาของพวกเราและก็ส่วนจิตใจก็ให้มีสมาธิธรรมในจิตในใจทั้งกายทั้งวาจา กายก็คือรักษากายวาจาก็คือเรื่องเรื่องของศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลส่วนสมาธินี่ก็คือรักษาใจคือพยายามทำสมาธิยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาอย่างไรขาขอให้พวกเรายึดแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ของเราให้มั่นคงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอย่างวัฏฏินหมัเป้ง อย่างนี้เป็นต้นพวกเจ้าอาวาสท่านท่าน อ, อาจารย์พระครู ก, ก็เคยอยู่ที่ห็นมะเป่งามานานแล้วกันแนวองค์หลวงปู่ของเราท่านพาปฏิบัติมาอย่างไรนี่ะผมอยากจะให้ยึดแนวแถวหลวงปู่เทพท่านพาดาเนินามาอย่างไรเราก็ควรจะยึดแนวแถววงหลวงปู่พาดาเนินนั่นแหละผมว่าดีที่สุดพอหว่าลูกศิษย์ลูกหา องหลงปู่ของเรายังมีมากยังสืบทอดอยู่ยังดูอยู่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนเราอยู่เ ข, เข้าไปมาหาสู่เราอยู่เมื่อเราเข้ามาอยู่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าอาวาสผมเองก็อยากจะขอร้องให้น้องหนุ่งทั้งหลายให้ยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้ไปตามแนวแถวนั้นถึงจะยากลําบากอย่างไร ท่านพาดำเนินมาอย่างไรก็ท่านพารรมาถูกต้องแล้วดีแล้วเป็นธรรมแล้วก็อยากจะให้พวกเรายึดแนวแถวขององค์หลวงปู่ของเราพาดาเนินจะเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์หมู่พวกเพื่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เป็นที่ยอมรับของคณะชาติญาติโยมที่อยู่ใกล้ชิดของหลวงปู่ก็จะเป็นที่สบายใจทุกหมู่ทุกเหล่า นี่ะอันนี้ก็ฝากฝังไว้กับน้องนุ่งทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อเองก็เคยพูดอย่างที่หมู่พวกเพื่อนที่อยู่บ้านตากก็เหมือนกันหลวงพ่อก็พยายามพูดอย่างนี้สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็สอนหลวงพ่อเองเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรพาปฏิบัติมาอย่างไรหลวงพ่อก็จะพยายาม เดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาถึงจะล่สมัยไม่ทันสมัยอย่างไรพวกเราก็ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินก็จะเป็นที่สบายใจของผู้ที่มาพบมาเห็นเราก็ไม่เคอะเขินเนพราะเราไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางถึงจะล่าสมัยยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็พาดําเนินมา แล้วก็ลุกสิทธิ์ลุกหาเก่าแก่ของท่านก็เห็นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพาดำเนินมาพอมาเห็นเราพาดาเนินไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าว่าเราเดินแปลกแหวกแนวออกไปก็จะเป็นที่ตาหนิของอที่พบเห็นลูกศิตยานุสิธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราว่าทำไมท่านมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ท่านพาทำอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านไม่ทําอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอันนี้ก็จะเป็นที่ตําหนิไม่สบายใจแกผู้มาพบเห็นในเมื่อเราถูกตําหนิพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเราเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจคุนเคืองสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราเดินตามแนวแถวลงปู่ลงตา ปฏิปทาของท่านพาดำเนินอย่างไรผมว่าหลวงพ่อว่าเนี่ยจะราบรื่นนะจะราบรื่นสวยงามเป็นที่สบายใจของศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าอันนี้ก็คือปฏิปทาคือการพาดำเนินพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรพวกเราควรจะดำเนินเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พาประพุตธปฏิบัติมาเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันนะถ้าเราเดินตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาใครจะดูดาวใครจะหาว่าใครจะหาเรื่องหรือใครจะพูดดูถูกติฉินเดินทาเราก็พร้อมที่จะชี้แจงให้ฟังอันนี้ท่านพาดาเนินมาอย่างนี้นะหลวงตาของเราหลวงปู่เทศของเรา ลุงปู่เลี้ยนของเราถ้าพวกเราจึดแนวแถวนี้พวกเราก็จะสบายใจทั้งญาติทั้งโยมทั้งฝ่ายพระอันนี้ขอฝากไว้แล้วก็พร้อมกันทุกวันนี้รู้สึกว่าพระสงฆ์ของพวกเราไม่ว่าทางฝ่ายไหนแต่ฝ่ายไหนมันลักษณะจะสู้ทางด้านวัตถุไม่ได้ทางด้านวัตถุ ทางโลกของเขาน่ยโลกมันถึงดูดอย่างรุนแรงในช่วงนี้ในยุคนี้สมัยนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าไปลู่ตามลมจนเกินไปแล้วก็จะไปแข็งจนหักจนเกินไปเราก็ใช้วิธีตามไม่จริงอย่าไปลู่นั่นละดีแต่ว่าแข็งมากเราก็แข็งด้วยเหตุผลแข็งก็คือแข็งยึดแนวปฏิปทาของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพาดําเนินถ้ายึดตามแนวแถวนี้แล้วผมว่าถึงใครจะว่าอย่างไงก็พูดไม่เต็มปากเพราะเห็นเพราะเหตุว่าเรามีหลักเหตุผลที่จะชี้แจงให้เขาฟังได้แต่ถ้าว่าเราลู่จนตามลมจนเกินไปจนไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์อย่างนี้เราก็จะชี้แจงให้เขาฟังได้ยากเหมือนกันพราะนั่นขอฝากไว้กับ พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันเข้ามากาบับเข้ามาสนับสนุนเข้ามากาบับเป็นกําลังและ ว, ว่าเป็นผู้มาสนับสนุนครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละวัดก็ให้ยึดแนวแถวของออพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้อย่าตําหนิครูบาอาจารย์จนเกินไปเรียกว่า ให้ปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามแนวแถวที่หลวงปู่หลวงตาพาดำเนินวันพระไหวพระอย่างไงเราไปรักษาศีลอย่างไงแล้วก็เอาเทศหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ต่างๆที่ร ง, งเทศลงปู่เทศท่านมีเท่าไหร่เอามาฟังถึงหลวงปู่จะนั่งลอยไปก็ตาม แต่ว่าธรรมเทศนาของท่านคําสอนของท่านอยู่ในใจของพวกเราอยู่ตลอดอย่างหลวงพ่อนี่ยถ้าเปิดเตี๋ยวนี้ก็ได้ยินเสียงหลวงตามหาบัวพูดพ่อหลวงพ่อมีสถานีวิทยุในวัดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็แนะนําสั่งสอนพระในวัดว่าผมไม่ได้ด้อยในการอุบรม์หรือว่าการแนะนําสั่งสอนพวกท่านแต่ว่าพวกท่านอยากจะฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพวกท่านเปิดวิทยุเลย ก็ได้ฟังหลวงตาจะเทศทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณสองทุ่มถึงตีห้าพวกท่านทั้งหลายจะฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเทศอบรมพระอย่างเข้มงวดผมเองเข้าไปศึกษากับองค์หลวงตาเป็นเวลา12ปีผมก็ได้ฟังธรรมเทศนาชุดนี้แหละชุดที่พวกท่านทั้งหลายฟังนี่ยนะต่างกลําต่างวาระจากนั้นพอเปิดฟังเสร็จแล้วก็ถ้าก็ออ ใส่เทปเอาไว้แล้วก็มาเปิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในธรรามเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นปัจจุบันอยู่เสมอจะไม่เป็นอดีตพ เ, ดเพราะเหตุใดเพราะธรรมะทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่านพูดในหลักปัจจุบันอบ ร, รมแนะนสาสั่งสอนพวกเรา ให้เป็นพระที่ดีให้เป็นโยมที่ดีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังว่าว่าแต่เอ้ยหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสไม่ได้ให้อบรมไม่ได้แนะนำสั่งสอนอย่าเราอย่าไปตำหนิอย่างนั้นเพราะเหตุว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะ่จะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้แต่ให้พวกเรายึดแนวแถวที่ องหลวงปู่ที่ท่านสอนอย่างไรมีเท็ปอยู่แล้วเครื่องอำนวยความสะดวกของเรามีหนังสือก็มีพวกเราจะได้เรียนได้ศึกษานี่แหละอันนี้ก็คือการศึกษาพวกเราจะเฉลยวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาแล้วพวกเราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไงเพราะไม่ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่า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 เพราะยอมรับในหลักเหตุผลยุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เปลว่าอนิสงส์แห่งการฟังธรรมและอีกท่านเน้นอีกว่าสุตตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นแค่ว่าการกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีหลักเหตุผลอย่างไร ถูกต้องไหมผิดไหมเป็นยังไงให้พวกเรากันกลองด้วยจินตามะยะปัญญาแล้วก็ภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาธรรมจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนําจิตใจที่สงบนั้นมากันกรองไตรตรองด้วยความถี่ท่วนอีกอันนี้เพราะว่าภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาในเป็นหลักของพระพุทธศาสนา ชวนสุตตามยะปัญญากาจินตามะยะปัญญานะเป็นปัญญาของทางโลกพวกเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราอยากจะเรียนรู้เรื่องวิชาอะไรเราก็ต้องสุตตะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตามยะก็ต้องจินตนาการไขขวอทุบครบทวนสิ่งที่ดีได้ฟังมานั้นมีเหตุผลอย่างไรส่วนภาวนามยะปัญญานะเป็นเรื่องของการภาวนา ทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนนํามาพิจารณากันกองไตรตองเหตุและผลอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกนั้นพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราไม่ศึกษาพวกเราจะเฉลียวฉลาดได้ยังไงพวกเราอยากจะเรียนรู้เรื่องภาษาจีน พวกเราก็ต้องเรียนภาษาจีนถ้าพวกเราจะเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษพวกเราก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นภาษาในโลกมันมีตังเยอะแยะภาษาแขกภาษาแต่ละภาษาในเมืองไทยของเราก็มีเยอะแยะไปนี่แหละถ้าเราอยากจะเรียนรู้เราก็ต้องศึกษาอันนี้พระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธศาสนาของเราเนี่ย ถ้าจะให้เรียนรู้ถีท้วนลึกซึ้งเข้าไปนั้นพวกเราก็จะต้องศึกษาอีกเหมือนกันเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาในี่แหละสาคัญแต่เรื่องทานเรื่องศีล น, นี่ก็ถ้าพวกเราพูดไปผิวเปิน่นทานทำไมจึงให้ทานมีผลมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราบรรยายออกไประหว่าบัณฑิตนักปราชญ์ท่านก็บอกว่าคนเราในนัทธนะาววาไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ทาน หมูหมากาไก่พวกแมวพวกสัตว์ทั้งหลายก็อยู่กับเราไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงลูกหลานญาติพี่นอ้องญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงอยู่กับเราไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ชี้เจตนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครแล้วใครจะอยู่กับเราได้แหมทีนี้เราจะไปพึ่งพาสายไข่ในเมื่อเราไม่ให้แก่ใครเราจะพึ่งพาสายไข่ก็ต่างคนก็ต่างอยู่โลกก็นี้เป็นไปได้หรอถ้าคนต่างคนต่างอยู่นี่แหละ พระพุทธเจ้าท่านเพียงว่าการเสียสละคือการทาบุญระว่าการเสียสละให้กันซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่พึ่งพาอาศัยกันการให้ทานมีหลายอย่างใคว่าให้แนวความคิดวิทยาทานให้แนวความคิดแบ่งปันวิชาความรู้ให้แก่ใครที่ไม่มีวิชาความรู้เราก็บอกแบ่งปันวิชาอาชีพทำไร่ทนานาทำเล่ทำสวนออสอรบรซ่อมอะไร วนแล้วแต่เป็นวิทยาทานอันนี้เราก็ให้ทานได้ธรรมทานก็นอย่างที่หลวงพ่อบอกกล่าวให้เป็นแนวความคิดเรื่องธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมีเหตุผลอย่างนี้นะอันนี้ธรรมทานแล้วก็ทําบุญทําทานคือการเสียสลนะปัจจัยสี่ให้แก่เพื่อนมนุษย์ชาติสเสียเผลือแผ่ตามที่ตัวเองได้มาโดยชอบทำและก็ไม่ได้ให้เดือดร้อนไม่ใช่มีเท่าไหร่ให้ทั้งหมดไม่ใช่ เราแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งเก็บแบ่งใช้และก็แบ่งสงเคราะห์ถ้าไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์จะเลยพวกเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกมนุษย์เนี่ยพ่อแม่ก็อยู่กับลูกลูกก็ไม่ได้รับคําสงเคราะห์อนุเคราะห์จากพ่อแม่แล้วจะอยู่ได้อย่างไรนี่แหละฐานะนี่คือการเสียสละมีประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเรื่องศินของมั่นกันศินก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกัน ถ้าหาว่าคนอยู่ด้วยกันไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายพ่บังคับไม่มีหลักวินัยเป็นเครื่องบังคับพวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรอย่างพระไม่มีศีลอย่างนี้แต่ไม่มีวินยัยไม่มีศีลพระสงฆ์จะเป็นที่เคารพศักดิ์ระได้ยอย่างไรมันเหมือนกับคารวะแต่ที่พวกเรากราบพระสงฆ์ทุกวันนี้กราบได้เพราะว่าพระสงฆ์อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย อยู่ในศินสีลายจารวัตของท่านพวกเราเป็นคารวัตทำอย่างท่านไม่ได้อยู่คนเดียวฉันอาหารมื้อเดียว อ, อแล้วก็เพื่อพรมประจ์ไม่มีครอบไม่มีครัวแล้วก็มีตัง้งเยอะๆสินสองอยี่สิบเจ็ดน่ะที่พระสงฆ์รักษาพวกเราเป็นคารวธรรมอย่างพระสงฆ์ไม่ได้เราจึงได้กราบพระสงฆ์ว่าเป็นผู้สงศินเป็นผู้มีคุณงามความดีแต่ในคารวัตญาติโยมก็เหมือนกัน เรื่องศีลห้าที่รักษาศีลห้าเพราะอะไรเพราะว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดําบรรด์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพูดอย่างนั้นได้ศีลห้าไม่ใช่ศีลของพระพุทธเจ้านะเป็นศีลของพระโพธิสัตว์เป็นศีลของฤษีสีพรยเป็นศีลประจําโลกมาตั้งแต่ดึกดําบรรด์ถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธเจ้าสวยพระชาติต่างๆ เป็นเจ้าฟ้าเจ้ า, าเป็นดินเป็นอะไรต่อไมิอะไรห้าร้อยชาติแต่ละชาติพระองค์ก็เป็นผู้มีศินมีศินห้าเกือบว่าทุกพบทุกชาติศินของพระโพธิสัตว์สินของฤาษีสีัยสินห้าเป็นสินคุ้มครองโลกตั้งแต่ดึกดำบรรพพวกเรามาพิจารณาเป็นข้อข้อ ใ, ในข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีอย่าฆ่ากันพระพุทธเจ้าบอก อย่าฆ่ากันเขาว่าฆ่ากันคำนี้ถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรพอเราไปฆ่าเขาแต่เขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าวงศาคณาญาติของเราฆ่าสามีภรรยาลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรพอเขามาฆ่าเราเรามีความเสียใจเรามีความทุกข์ใจอย่างมากเรามีความโกรธแค้นต่อเขาอย่างมากที่เขามาทำให้กับเราเพราะนันเมื่อเราไปทาให้กับเขา เขาก็คงจะมีความทุกข์ไม่แพ้กันกับเร า, เราะฉงนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าคิดฆ่ากันพูดง่ายง่ายอย่าฆ่ากันถ้าฆ่ากันเข้าไปแล้วโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนจะมีการผูกพยาบาทอาฆาตกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุไรเพราะพวกเราคิดฆ่ากันอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรามณีเราอย่าประคโมยของเขาถ้าเขามาขโมยของเรา เรามีความรู้สึกอย่างไงขโมยรองเท้าของเราขโมยรถของเราขโมยสิ่งของของเราขโมยเงินคำทรัพย์สมบัติของเราขโมยพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถ่เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขาขโมยของเราหรือมาขโมยเบียดบังเอาเงินในธนาคารของเราทุกวันนีมีมากลากหลายแห่เขาปลอมแปลงเอกสารขโมยขนาดเงินในธนาคารเขายังขโมยได้ ถ้ามาขาโมยอย่างนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปขโมยของเขาละ่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ขโมยกันน่ะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างไงพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันสินห้าของพระพุทธเจา้าข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีถ้าอยู่ในชุมชนใดเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่ขโมยกันชุมชนนั้นจะมีแต่ความสงบรุ่มเย็นเป็นสุขอยู่กันมากน้อยก็มีแต่ความผาสุขเพื่ออะไรเพราะไม่ได้ขโมยกัน ถ้าขโมยกันนะมีแต่ความเรือดร้อนอยู่ในชุมชนนั้นๆถึงฆ่ากันได้เพราะการขโมยกันมันเวียนไปหาสิ่ข้อที่หนึ่งอีกข้อที่สามกาเมสุมิชชาจารา ว, ว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาคลรักสังวนหวงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเขาสิเสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราสามีภรรยาลูกหลานของเราพ่อแม่ของเราเรามีความรู้สึกอย่างไร เราก็เสียใจไม่แพ้คนอื่นเขาเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินข้อที่สามให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าการสู่ขอกันตามประเพณีอันนั้นคือเป็นประเพณีของโลกมันมีอยู่แล้วตามกฎแต่ถ้าว่าเราไปล่วงล้ำเขาไม่เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันนั่นแหละความเรือดต้อนจะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราอันนี้นคือศินข้อที่สมข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณี อย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงเขาเออเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราละ่ะเอาของปลอมเอาเหล็กไหลเอาก้อนหินมาว่าเป็นเหล็กไหลมาหลอกให้เราเออเราก็ไปซื้อก้อนหินพอเรามารู้จักทีหลังว่าเป็นก้อนหินเนี่ยเขามาหลอกลวงเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจอย่างมากถ้าเราไปโกหกเขาละ่ะก็เช่นเดียวกัน เพ้าะการโกหกต้มตุนหลอกลวงกันไม่เป็นผลดีพระพระุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมะเนข้อที่ห้าสุราเมระยะมชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้วเมื่อดื่มเข้าไปต้องขาดสติเมื่อขาดสติแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักประคุณของใครทั้งหมดพวกคนเมาคนขาดสติ เราก็รู้อยู่แล้วรู้แก่ใจอยู่แล้วดื่มสุราเข้าไปต้องเมาจะไม่เมาได้ยังไงพ่อดื่มสุราถ้ากินน้าธรรมดามันจะเมาได้ยังไงแล้วเมื่อกินสุราแล้วจะไม่เมาได้อย่างไรเพราเราดื่มสุราในเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้ขาดจิติเพื่อขาดจิติทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนเมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้สิ่งข้อที่หนึ่งก็จุยข้อที่สองอจินนาทานขโมยใครก็ได้ข้อที่สมละลาบ ประหลงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้เพราะคนเมาข้อที่สีมุสาโกหกใครก็ได้พวกคนเมาเพราะฉนั้นศินข้อที่ห้าเป็นศินอันต ร, รายข้อหนึ่งเหมือนกันทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเองแต่เมื่อทําเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วมันไปทําร้ายทําลายคนอื่นเขาไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นศิลของพระพุทธเจ้าทั้งห้าข้อท้าพวกเราพิจารณาเป็นหกข้อแล้ว ให้พวกเราพิจารณาดูว่าศินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศินคุมครองโลกจริงไหมพระท่านสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าว่าในยุคใดสมัยใดคนมีศีลธรรมคนมีศินห้าคนในยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความสงบผ่อมเย็นเป็นจุกทวนหน้ากันถ้ายุคใดสมัยใดคนขาดศีลธรรมมากๆคนยุคนั้นสมัยนั้นก็มีแต่วาดรุ่งแวงซึ่งกันและกั น, นไปที่ไหนก็มีแต่พกพาอาวุธ เาไม่ไว้ใจกันผลที่สู่กัฆ่ากันไม่รู้ใครฆ่าใครเนื่อเพราะความระแวงแข่งใจกันนี่ยถ้าว่าคนทุกใดาขาดศินธรรมผลทุกนั้นใกล้มิคะสัน ญ, ญีเห็นการเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายเห็นกันไม่ใช่มนุษย์เห็นกันไม่ใช่ว่าคนผู้มีศีลธรรมเห็นกันทําคนมีศีลธรรมเห็นกันแล้ว ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีอะไรพูดกันได้มีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันไปโดยกันไปแม้สถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขกนวลหน้ากันเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมของพระพุทธยาวพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามการที่จะให้ทุกคนเป็นผู้มีศีลนั้นก็เป็นเรื่องของยากที่เหมือนกันแต่พวกเราเห็นคุณค่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเออใช่หลวงพ่อพู ด, พดถูกถูกต้อง ศีลธรรมเป็นของมีคุณค่าจริงข้าพเจ้าเห็นด้วยกับหลวงพ่อที่พูดเนี่ยข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าศีลธรรมมีคุณค่าจริงอ้าวนับหนึ่งจะข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าคนข้าพเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยของใครข้าพเจ้าจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเคารพสิทธิ์เขาเคารพสิทธิ์เราข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มโซรา ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปคือนับหนึ่งจากข้าพเจ้าไปต่างคนต่างนับหนึ่งจากข้าพเจ้าหนึ่งบกหนึ 2. 2่งเป็นสองสองบกสองเป็นสี่จากนั้นก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่อยากจะให้คนอื่นทำดีตัวเองเป็นอะไรมีแต่อยากจะให้คนอื่นทำดี เ, เขาคนหน้าหน่าจะทำดียิ่งลักหน้าจะมีศีลห้าอย่างเนี้ยตัวเองเป็นมีศีลอะไรแต่ถ้าว่าอยากจะให้เขาทำดีเราก็ต้องทำดีซะก่อน อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูอยากจะให้ลูกศิษย์ดีอาจารย์ก็ทำดีให้ลูกศิษย์ดูพ่อแม่อยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูคือเป็นตัวอย่างให้เขาเขาจะดีเองอยาจะให้พลเมืองดีแล้วก็ต้องทำดีให้พลเมืองดูนี่แหละคือสรุปแ้วก็คือเราต้องเป็นคนดีคิดดีทาดีพูดดี คิดก็ไม่คิดแต่เบียบเบียงคนอื่นเขามีคิดพยาบาทอาฆาตไม่คิดอยากจะฆ่าใครใจของเรามีเมตตาอยู่ตลอดการกระทําออกไปก็เหมือนกันข้าพเจ้าจะเมื่อคิดดีแล้วนะมีศีลมีธรรมในใจแล้วการกระทําออกไปก็มีศีลมีธรรมการพูดออกไปก็มีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนั ก, ก, กนัศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อได้บรรยายศีลธรรมให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังส่วนครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็ให้อยู่ในกรอบ หลักปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาอย่างไรก็ให้เดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจแต่ถ้าว่าพวกเราเดินออกนอกรูกนอกทางแล้วมีแต่ความหายชนะที่จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราก็พร้อมกันเรื่องธรรมะเรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกเราคงจะได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในศึกษามาพอสมควรแล้ว สายลงปูมั่นท่านเขบอกให้ยึดภาวนาภาวนาพุทธโธเนี่ยแหละเป็นหลักขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาเดินเวลานั่งภาวนาค่ะกาหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่หลวงพ่อแนะนําภาวนาเวลานั่งภาวนาหลวงพ่อเคยแนะนำสามอย่างกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือว่าเรานั่งหลับตาแล้วให้ใจของเรานึกอพุโทโธให้ถี่ ให้ใจของเราบริกรรมให้ใจของเราบนบ่นสาธยายพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจะให้มีช่องว่างอันนี้ก็คือภาวนาแล้วก็อันหนึ่งก็คือกาหนดลมหายใจเข้าให้นับหนึ่งหายใจออกนับสองทดลองดูถ้าพวกเรานับหนึ่งเป็นเลขขี้นับสองเป็นเลขคู่นับสามเป็นเล ข, ขี่นับสี่เป็นเลขคู่นับจนถึงร้อยถ้าเราไม่เผล อ, อไม่เผล อ, อคือเผลอคืออะไร คือหายใจเข้าสิบเอ็ดหายใจเข้าสิบสองหายใจออกสิบสามเนี่ยตมันผิดแลลวเนี่ยมันผิดขั้นตอนอ่หรือว่าหายใจเข้าแปดหายใจออกเก้าก็ผิดขั้นตอนเพราะว่าเลขขี้เวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี่หายใจเก้าหายใจออกสิบนะหายใจเข้าสิบเอ็ดหายใจออกสิบสองเนี่ยอะไรมาคือเราจะมีสติในการกำหนด พระผมขอให้พวกเราทุกๆท่านภาวนาให้ยึดสมถะเป็นหลักซะก่อนอย่างที่องค์หลวงปู่เทศท่านพูดผมยังจําไม่ลืมท่านบอกว่าการบวชเข้ามาเนี่ยถ้าว่าทำจิตใจให้สงบยังไม่ได้ยังไม่รู้รสของพระธรรมยังไม่รู้รสของการบวชแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นั่นละ่ะเราจะรูะ้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติ เราจะรู้รถของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความสุขมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขอให้พวกเราพุกหลานทุกองคนะพี่น้องประชาชนทุกโมเหล่าให้บําเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าได้ห่างเหินศีนลธรรมถ้าพวกเราอยู่ใก ล, ล้ศีลธรรมรลือแนะนำทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาปฏิบัติพวกเราก็จะเข้าสู่มรรคสุผลได้ไง่าย ถ้านคนมีศีลห้าแล้วปิดอวายวภูมิไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตมีแต่ไปสู่มนุษย์และก็ไปสู่สวรรค์เท่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ศรัทธา ญ, ญาเดินทุกคนนะ เ, เดินแนวตามแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนฝ่ยายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์น้องนงทั้งหลายก็เหมือนกันขอให้ ตั้งอกตั้งใจพระพุทธปฏิบัติรนะักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่กูายจาร์พาดำเนินมาอย่างไรพวกเราก็ขอให้เดินตามแนวแถวที่พ่อแม่กูายจาร์พาดำเนินพวกเราก็จะประสบแต่ดดวความสุขความเจริญนะในการกล่าวสมุดธนิยาคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าขอสมควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณภษีรัตนตรยัยพระพุทธ้าพระธรรมพระสงฆ์สิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบรอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน